พระบัญญัติแปด้อยแปดสก็ภิกษุณีใดร้องให้ทุบตีตนเองต้องอำบัดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีจันทากาลีจบ